เจ็บก็เจ็บไปผู้ตายก็ตายไปผู้ไม่ตายก็ทำความดี ต, ต่อเอาละวันนี้เรามาทำความดีกันนี่แหละก็ขอให้พากันพิจารณาเรื่องของชีวิตคือร่างกายนี้มาเป็นอารมณ์เมื่อเรารู้ข่าวว่าคนอื่น เก็บไข้ได้ป่วยหรือว่าล้มตายลงไปก็เอามาดำริติตองเข้ามาในตัวของตัวเองว่าเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ปีใดก็ปีหนึ่งแน่นอนล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้เลยก็ขอให้น้อมสติเข้ามาสำรวมจิตใจ องธรรมสังเวชลงไปสังเวชอะไรอ่ะสังเวชว่าดวงกิดนี่นะมันโง่มันไม่ฉลาดมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเนี่ยมเมื่อเวลาร่างกายนี่มันวิบัติแพ้ปวนไปก็เศร้าโศกเสียใจนี่แหละแล้วก็เป็นทุกข์ คนได้ยากลำบากเพราะเขงไม่รู้แจ้งในใ น, ในร่างกายในตามเป็นจริงไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางร่างกายอันนี้มานับชาติไม่ท่วแล้วชาติไดเกิดมาก็มายึดตัวกายเราตัวเราอยู่อย่างนี้นะไอความยึดถือนั้เป็นตัวกรรมวะนี่ ตัวกรรมและกรรมอันนั้นนำดวงขิตมาอาศัยมาเกิดในร่างอันนี้อีกอาศัยร่างอันนี้เป็นเครื่องอยู่อีกหากว่าผู้ใดมีกรรมเวรติดตัวมายิ่งลาบากใหญ่กว่านี้เมื่อกำเวรมันให้ผลก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะอย่างนี้ ดังนั้นทุกคนให้สอนตัวเมื่อตนไม่ต้องการความทุกข์อย่างนั้นเน่ก็อย่าไปทำบาปอย่าเบียดเบียนบุคคอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนให้เจ็บให้ปวดให้ล้มให้ตายก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้และสอนตนเองไปอย่างนั้นตนเองไม่ทำชั่วลงไปแล้ว หากว่ามันจะต้องได้เกิดอีกต่อไปมันก็ไม่มีคำเม้รอะไรที่จะไปตามสนองให้เป็นทุกข์เกิดน้อนอย่างนั้นอยู่ไปแล้วก็มีแต่มันเมื่อบุญกุศลมันลอยรลอลงไปแล้วก็ร่างกายนี้กัดสำรุดสุดโทงไปตามการเวลาเท่านั้นเองแล้วบุญเก่าหมดแล้วก็ตายเท่านั้นคนมีบุญตายนี่ท่านกล่าวไว้ว่า เหมือนบุคคลที่เคลิมหลับไปแล้วตื่นขึ้นนี่แหละไม่ได้ลำบากลำบนอะไรเลยว่างั้นคนที่มีกรรมมีเวรตามสนองนี่เมื่อเวลาจวนจะตายเนี่ยก็ได้รับทุกขเวทนาแรงกล้า ม, มากดิ้นลนกระวนกระวายกระสับกระส่ายแล้วก็ทรมานอยู่นานกลัวจะตาย เมื่อเวลาจะตายก็ไม่มีสติเพราะทุกเวทนามครอบงำจิตใจอย่างนั้นผู้เช่นนั้นเน่ตายไปก็เรียกว่าไม่ได้รับความสุขความเจริญอะไรเพราะเมื่อเวลาจวนจะตายนี่ก็กำหนดจิตใจไม่ได้เลย นึกถึงบุญถึงคุณอะไรก็ไม่ได้มีแต่เสวยทุกขเวทนาอยู่ตลอดจนหมดลมหายใจเขาออกอย่างนี้นะเช่นนั้นแล้วก็หาความสุขไม่ได้แล้วไปสู่โลกหน้านะบุคคลจะมีความสุขได้ก็พอมาภาวนานึกถึงความตายบ่อยๆเป็นอารมณ์อยู่แล้ววันนี้ เรามีอะไรเป็นที่พึ่งของจิตใจคำว่าตายในหมายถึงร่างกายมันแตกทำลายลงส่วนจิตใจนี่มันไม่สูญหายไปเมื่อร่างอันนี้อาศัยอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ออกจากร่างนี้แล้วก็ไปตามกรรมสุดแลแต่กรรมที่ตนทำมานั้นจะนำไปเกิดในพบต้อยภบใหญ่ ในที่ไหนก็แล้วแต่กรรมแล้วแต่บุญกรรมบาปกรรมเราจะไปหาเกิดเอาตามชอบใจไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อบคุคคลสั่งสมบุญกุศลไว้ให้มากๆพอสมควรอะไอย่างนี้ก็ย่อมเชื่อแน่ในตนทุกตนได้ว่าไอเราตายไปนี่ ต้องไม่ไม่ไ ม, ไม่ต้องไปสู่ไปสู่ทุกข์แน่นอนไม่ได้ไปสู่ทุกข์วนเต้องมีความสุขเป็นที่ไปแน่นอนอเพราะว่าบุคคลภาวนาเห็นบุญเห็นคุณปรากฏอยู่ในใจใจสงบใจเยือกเย็นไม่ไม่โกโกรธผูกพยบบาทใครไม่อะไรกับสิ่งใดในโลก ก็มองเห็นแล้วว่าอะไรกับสิ่งใดก็เอาเอาติดตามตัวไปไม่ได้มก็ต้องทอดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจมันก็มีแต่บุญแต่คุณเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องอยู่อนะ่รเง้ยอืมเดี๋ยวเมื่อตายลงแล้วมันก็ไม่มีความชั่วอะไรที่จะมาน่วงเหนียวจิตใจให้คล้องอยู่ในโลกนี้ บุญกุศลเมื่อมันมีพลังแก่กล้าเขาเล่าอย่างนี้มันก็ น, นํำดวงจิตไปบังเกิดในที่สุขสบายที่ทันียกว่าโลกโลกสวรรค์อันเนี้ยนะนนเป็นที่อยู่ของบุคคลผู้มีบุญมากอย่าไปปฏิเสธเลยว่าสวรรค์ไม่มีถ้าหากว่าสวรรค์ไม่มีอย่างนี้บุคคลทําบุญกุศลก็ทําเปล่า ที่พระพุทธเจ้าตรัสาว่าบุญกุศลย่อมอำนวยผลให้เป็นถุกในโลกหน้าอย่างนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าข้อนี้ก็เป็นโมฆะเลยใช้ไม่ได้พระองค์แสดงว่าโลกหน้าเนี่ยทรงแสดงไว้าสาหรับบุคคลผู้ยังไม่บรรลุถึงถึงพรนิพพานทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าสร้างบุญบา ร, รมียังไม่เต็มก็จำเป็นต้องไปเกิดอีก ออืถ้าบุคคลมีบุญมากๆแล้วบุญก็นําไปเกิดสุขติโลกสวรรค์สําหรับท่านผู้ได้บรรลุฌานธมาบัตท่านก็ไปเกิดในพรหมโลกอืออันนี้ท่านเรียกว่าผู้ไปเกิดสวรรค์นี้ท่านเรียกว่ากุศลกา ม, ามาวจรผู้ไปเกิดในพรหมโลกท่านเรียกว่ารูป า, ราวจรกุศลออื บุญกุศลตกแต่งให้เกิดเป็นรูปให้จิตนี่ได้อาศัยในรูปนั้นแต่ว่ารูปนั้นไม่ใช่เพศหญิงไม่ใช่เพศชายจิตใจของพรมนั้นก็ไม่ยินดียินร้ายกับอะไรทั้งหมดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสััดอะไรไม่แล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายเหตุนั้นเช่นยิงเรียกว่ารูปภาวจรกุศล กุศลตกแต่งให้เกิดให้เกิดเป็นรูปให้จิตได้อาศัยในรูปนั้นแต่ที่การมาปจรกุศลหมายความว่าบุญกุศลตกแต่งรูปให้ดวงขิดอาศัยแล้วแต่ยังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่แต่มันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันละเอียดปรนณีต กลัวของรูปเสียงกลิ่นรสของมนุษย์หลายสิบเท่ามันเป็นความสุขอันบระณีตอเงิ น, น, นงไปอย่างนั้นอันบรรดาความสุขในโลกสงสารอันนี้นะขอให้เข้าใจมันไม่ใช่มีอยู่ระดับเดียวกันนี่แม้โลกมนุษย์ของเรานี่ก็เหมือนกันนะ บุคคลได้รับความสุขไม่ใช่อยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดผู้ใดมีบุญกุศลมากได้ทำมาแต่ก่อนบุญกุศลนั่นก็อํานวยผลมาให้เป็นสุขมากในปัจจุบันนีอ้อย่างนี้แหละแต่ผู้ที่ทำบุญกุศลมาแต่ก่อนห า, ากกนะ็ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฝึกฝนจิตใจของตน อาศัยได้ทำบุญทำทานรักษาสินเฉยเมื่อบุญกุศลนำมาเกิดได้จะกกุลสูงเกิดมั่งมีสีสุกเกินทองเข้าของเข้ามาแล้วก็มาหลงความสุขเหล่านั้นบัดนี้นะติดอยู่ในความสุขเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นบางคนที่ได้ ทำบุญให้ทานรักษาสินมาแต่ก่อนแล้วก็มีการฟังธรรมด้วยมีภาวนาพิจารณาเห็นร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดแล้วแปรพรวนแตกกลับไปแต่ว่าไม่สามารถที่จะละอุปทานในขันห้านั้นได้บุญกุศลอนนั้นก็นํามาเกิดในโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วผู้นั้นได้ฟัง คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้สึกตัวได้ไม่ไม่หลงไม่เพลินไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนั้นเมื่อได้ฟังคําสอนแล้วมาพิจารณาเข้าไปในร่างกายอันนี้แล้วก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่อย่งยืนบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเราก็รู้ไม่ได้ว่าวันไหนมันจะแตกกระดับ ผู้ใดรู้ตัวอยู่เนี่ยจึงไม่ประมาทในวันนี้สำรวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระพุทธธรรมประสงค์ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลต่างๆไอ้ผู้เช่นนี้แหละทั้งที่มั่งมีสีสุกเงินทองเข้าของก็ไม่จะหนีเหนียวแน่นจำแนแกแจกทานไปเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มาก บำลุงวัดวาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปไอคนมีบุญก็ต่างๆกันนะมาเกิดในโลกนี้เนะี่ยไม่ใช่ว่ามีบุญแล้วมาเกิดมามั่งมีสีสุขแล้วมีชืิตเป็นอยู่เหมือนกันหมดไม่ใช่นะี่คอยพิจารณาดูให้ดีดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละ หวังว่าผู้ฟังคงจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วอย่างนี้ถ้ามาทบทวนดูการกระทำบุญกุศลทำความดีของตนว่าเราได้ทำความดีให้ถึงขั้นถูงหรือไ ม, มอ่หรือว่ามีแต่ทำบุญให้ทานไปเฉยเฉยแล้วก็รักษาศีลไปบ้างขาดบ้าง ภาวนาไหวพระสวดมนต์ไม่ไม่ได้ทำก็อย่างเมื่อรู้ว่าตนบกพ้่องในการไหวพระนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ล้วก็พยายามไหวพระนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธเข้าไปมีสติสำรวมจิตของตนให้แน่วแน่อยู่ภายในในขณะนั่งภาวนานั้น อาศัยสติแหละควบคุมจิตไม่คิดไม่ให้มันคิดฟุ่งไปภายนอกสติต้องควบคุมจิตให้นึกแต่พุทโธอยู่ภายในค้องกับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะพยายามไปเราทำไปนิ ด, น ด, นดหน่อยจะให้มันจิตตั้งมั่นนิ่งอยู่ได้สบายสบาย มันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจิตตรงนี้ได้สั่งสมกิเลสมานมนานหลายชาติหลายพบแล้วเมื่อรู้ตัวแล้วจะมาเทียมิยามละมันหน่อยเดียวหนึ่งแล้วจะให้มันดับไปหมดไปอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการละกิเลสนี่มันต้องละได้ด้วยบุญบารมี คนไม่มีบุญบารมีละกิเลสไม่ได้เลยอขอให้เข้าใจกันหรือวใครจะเห็นว่าจะเอาอะไรมากำจัดความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจนี่เรอยังจะมองเห็นอย่างอื่นอยู่เหรอเออบางคนก็อาจจะตอบว่าก็ปัญญาที่ละกิเลสนะ่ะ ถ้าไม่ไม่อาศัยปัญญาแล้วจะอาศัยอะไรบางคนก็อาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้ยิงอยู่อันนั้นแหละอาศัยปัญญาอันปัญญานะั้นมันจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุญต้องทําบุญกุศลไปต้องฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไปต้องหัดนั่งสมาธิภาวนารวมใจให้สงบระงับเป็นหนึ่งปัญญา อันเกิดขึ้นเพื่อละบาปละกิเลสบาประธรรมนั้นมันจึงมีได้อือันปัญญาธรรมดาเรียนความรู้ในทางโลกรู้จักการทํามหาหาหรืออย่างชีพยอย่างนั้นอย่างนี้นี่ปัญญาอย่างนี้ไม่มีทางที่จะไปลากกิเลสบาประธรรมให้หมดไปได้ไม่มีทางคอยเข้าใจเขราะพระพุทธเจ้ายัาง แปล ว, ว่าโยคาเวชายเตภูริแปลว่าปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะความประกอบอย่างนี้ความประกอบก็อย่างว่านี่แหละไอ้ปัญญาก็เกิดจากจิตจิตที่สงบอย่างนี้นะถ้าจิตไม่สงบแล้วปัญญาในทางธรรมไม่เกิด ผู้เรีรู้อย่างนี้แล้วพยายามสิพยายามภาวนาสะกดกจิตอันนี้ให้เป็นสงบตั ง, งับลงไปมาให้มันอ่อนแอทอดแท้ไปตามอํานาจของกิเลสทําใจเข้มแข็งละอารมณ์ต่างๆออ ก, ก, กจากจิตใจให้ได้นี่ต้องพยายามอย่างนี้คําว่าประกอบนะี่เมื่อพยายามไปอย่างนี้ จิตมันละกิเลสอันเป็นค่าสึกแก่ความสงบนั่นได้ทิเลสเ้าสงบลงจิตใจก็รวมลงเป็นหนึ่งได้อย่างนี้นะนั่นแหละปัญญามันถึงจะเกิดขึ้นจากจิตใจอันสงบนั้นออย่างนี้มันจึงมองเห็นบาปเป็นอย่างนั้นบุญเป็นอย่างนี้มันก็มองเห็นได้แหละ ว, วันนี้เมื่อจิตใจสงบแล้วมันผ่องใสนี่ใจ มันฟังใสมันมีแววมันสว่างออกไปอพอนึกคิดว่าบุญไปยังไงอย่างนี้นะมันก็รู้เลยนั่นแหละบาปเป็นยังไงอย่างนี้มันก็รู้มันรู้ขึ้นมาได้บาปเกิดขึ้นในใจทําใจสมองคุณมัวนี่นะมันก็รู้ เพราะว่าใจที่เศร้าหมองขุนมัวแล้วย่อมไม่มีความสุขเลยถ้า อ, อย่างนั้นบุญได้แก่ธรรมารมณ์ที่ทำใจให้องใสสะอาดอดังนั้นเมื่อผูใ้ใดทำใจให้สงบองใสขึ้นมาได้กับบุญกุศลก็เกิดขึ้นกับจิตใจที่สงบองใสนั่นเองเราก็รู้ได้ว่าอ๋อนี่บุญ บุญมีลักษณะอย่างนี้คำว่าบุญยอมอำนวยผลให้แก่ผู้กระทามีความสุขต้องธรรมดาเมื่อใจสงบใจผ่องใสแล้วมันก็มีความสุขสิมันจะเป็นทุกข์ยังไงแล้วการที่มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเพราะว่าคนเรานั้นมีใจขุนมัวเศร้าหมองอไปชาระจิตใจไม่ไม่ชำระจิตใจที่เศร้าหมองขุนมัว ทำในพุทธศาสนานี่มันต้องเข้าใจเหตุผลถ้าไม่เข้าใจอย่างว่านี่การปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ถูกทางบางคนก็ว่าภาวนาไปทำไมหน ω, ใจจึงไม่ส ง, งบอย่างนี้สงสัยอยู่นั่นไม่ต้องสงสัย ที่ใจไม่สงบนั้นมันก็มีกิเลสอย่างไลอย่างหนึ่งลบควรนีะนั้นกับบาปมันลบควรเอาบาปที่มันมีอยู่ในจิตใจนั้นแล้วอธิษฐานใจละบาปกรรมความชั่วทั้งหลายที่รุ่มหลงทำมาแต่ ก, ก่อนหักก็มีอธิษฐานใจละเว้นไปเลย แล้วจะไม่ทำความชั่วอะไรต่อไปอีกแล้วอธิษฐานใจละเว้นลงไปอย่างนั้นนะบ่อยๆเข้าบางทีบาปนั้นมันสงบระ ง, งับไปมันก็จิตใจก็สงบลงได้รวมลงได้ถ้าหากว่ารู้ว่ามันมีกิเลสบาปรธรรม ลบคนใจให้จิตใจให้ฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้ก็กําหนดใจละมันลงไปอการกําหนดละกิเลสบาปธรรมนี่มันก็ยากสักหน่อยเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เหลือวิสัยคือมันยากเมื่อมันกําหนดละมันมันเกิดทุกเวทนาขึ้นในความรู้สึกนั้นนะลิศเดชของกิเลสนะแล้วก็เราก็รู้ก็รู้อย่างนี้แล้วไม่ถอย อา้ามันจะเกิดทุกเวทนาอย่างไรขึ้นในความรู้สึกกันนั่นก็ช่างมันเวทนากโกศวัตเวทนาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยอืมเราก็พิจรารณาถึงความจริงของเวทนาอย่างนั้นแหละก็เวทนาไม่ใช่ของเราจริงๆนะอ ม, มันเป็นเรื่องของขันห้าทางห่างนี้ สุขเวทนากรณีทุกขเวทนากรณีอุเบกขาเวทนากรณีมันก็อยู่ในเฉพวกขันหา้าเมื่อขันห้าไม่ใช่ของเราแล้วทุกขเวทนาก็ไม่ใช่ของเราแลก็ต้องพิจารณาเตือนตัวเองอย่างนี้แหละจิตเตือนจิตก่อนเถอะจิตเตือนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตมันรู้ตัวแล้วว่า ทุกเวทนานี่ไม่ใช่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอยู่ในจิตจิตก็ไม่ได้มีอยู่ในทุกเวทนาแต่ว่าจิตก็อาศัยอยู่ในขันธ์ห้าแต่ไม่ใช่เป็นขันธ์ห้าถ้าเป็นขันธ์ห้าทั้งหมดอย่างนี้เมื่อตายแล้วมันต้องสูญไปเลยเนี่ยอืมขอให้เข้าใจแต่คนเข้าใจไป อย่างนี้นะที่ว่าตายแล้วสูญนะเข้าใจว่าจิตกับขันหานี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างนี้นะความจริงไม่ใช่นะก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเออเอาเถอะไอ้สี่อย่างนั้นก็คงไม่สงสัยกัน เ, เลยหรอกเรื่องวิญญาณเนี่ยสำคัญมากนะมวิญญาณบางคนก็ว่า จิตาบางคนก็ว่าไม่ใช่จิตเป็นอาการของจิตนี่นะนี่เพราะฉะนั้นมันข้อนี้แล้วมันก็ต้องได้ใช้ปัญญาได้พิจารณาดูอายัตนาภายในอายัตนาภายนอกอายัตนะภายในหกมีตาเป็นต้นอายัตนาภายนอกหกมีรูปเป็นต้น กระทบกันเข้าก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาทางตาเช่นอย่างว่าตากไปมองเห็นรูปอย่างนี้นะมันก็เกิดวิญญาณทางตาขึ้นมารู้สึกว่าเห็นรูปรูปนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เสียงมากระทบหูวิญญาณทางหูก็เกิดขึ้นก็รู้ว่าเสียงคนเสียงสัตว์อะไรตัวไห แม้จะหมูลิ้นกายทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันนั่นแหละมันกระทบมาแล้วมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นอย่างนี้นะจึงเป็นอันได้ความว่าวิญญาณนี่ยเกิดจากสิ่งสัมผัสสิ่งของสองอย่างมากระทบกันเข้าแต่ว่า ไม่ใช่สิ่งของภายนอกมากระทบอย่างเดียวนะเรียกว่าอายสถานนี่ภายในนี่ตามีตาเป็นต้นอย่างว่านี่เนี่ยถ้าสิ่งอื่นตัวสิ่งกระทบกันมันไม่เกิดวิญญาณหรอกแต่อาศัยตาหูจมูกเล่นกายอันนี้กระทบกันกับรูปเสียงกลิ่นนสดเครื่องสัมผัสเช่นนี้มันจึงเกิดวิญญาณความรู้สึกดีชั่วสุขทุกข์ขึ้นมาเป็นอย่างนั้น แต่และ ว, วิญญาณีนมันออกไปจักไหนออกไปจากจิตถ้าจิตนี้ไม่มีไม่อาศัยอยู่ในร่างอันนี้วิญญาณทางตาก็มีไม่ได้เลยเหมือนอย่างคนใกล้จะตายอย่างนี้นะก็เคยพูดมาบ่อยๆเหมือนกันเนละต้องพูดอีกคนใกล้จะตายอย่างนี้วิญญาณทางตาก็ดับลงไปตาก็มองไม่เห็นอะไรแล้ว วิญญาณทางหูก็ดับหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ว่ายังไม่ทันตายนะจิตยังไม่ออกจากร่างก่อนอแล้วกลิ่นที่มากระทบจมูกก็ไม่รู้สึกอะไรรถอะไรมากระทบกบลิ่นก็ไม่รู้สึกแล้วบันนี้ร่างกายส่วนใหญ่นี่น ะ, ะเมื่อธาตุทั้งสี่มัน แตส่สามัคคีกันธาตุไฟค่อยดับไปดับไปธาตุลมก็ดับไปดับไปไอวิญญาณความรู้สึกนี่ก็ดับไปพร้อมๆกันกับธาตุทั้งสี่อันนั้นเนี่ยเข้าใจเมื่อดับเข้าไปดับเข้าไปถึงท่ามกลางอกนุ่นแล้วเป็นอันว่าวิญญาณไอทางตาทางหงูทางจมูกทางลิ้นทางกาย มันดับหมดมันเหลือแต่จิตเท่านั้นโยเมื่อบุญกุศลหมดลงเมื่อใดแล้วจิตนี้ก็ถอนออกจากร่างนี้ไปแล้วบุญและบาปที่บุคคลกระทำนันก็นำไปไปสร้างรูปกายให้ดวงจิตได้อาศัยอีกต่อไป นี่สำหรับผู้ที่ยังละกิเลสไม่หมดผมก็เป็นอย่างนั้นนะอืมีควรเข้าใจกันแต่ ว, ว่าพูดอย่างหนึ่งแล้วก็ว่าจิตตรงนี้มันเป็นธรรมชาติรู้แล้วมันมันไม่ตายเหมือนอย่างมันไม่ดับเหมือนกับวิญญาณแต่ อ, อายาสัยจิตนี่ก็อาศัยธาตุสี่นี่ จึงมีความรู้ทั่วในร่างกายนี้ได้แล้วก็จึงรู้อย่างอื่นภายนอกออกไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆได้อืถ้าจิตตรงนี้ไม่ได้อาศัยรูปร่างอันนี้มันก็รู้อะไรไม่ได้เอมันเป็นอย่างนั้นมันถ้อยถอ ย, อ, ยอาศัยกันมันยังเกิดความรู้สุขรู้ทุก รู้ดีรู้ชั่วรู้ร้อนรู้หนาวรู้เจ็บรู้ปวดอะไรต่ออะไรมันยึงรู้ได้เพราะว่าจิตนี่มาอาศัยอยู่ในธาตุทั้งสี่อันรวมเรียกว่าร่างกายนี่เรียกว่าเมื่อร่างกายนี้มันวิบัติแปลโวนไปมันก็กระทบกับจิตจิตก็มีความรู้สึกผิดปกติไปถ้าจิตไม่รู้เท่าจิตก็วันไหว เสียใจเศร้าโศกสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละวันนี้จิตที่ได้ฝึกฝนอบรมแล้วมันก็คงกันข้ามนะวันนี้นะจิตใจที่ฝึกให้สงบระงับเป็นสมาธิมีปัญญาประจำอยู่แล้วเมื่อธาตุสี่ขันธ์หน้านี่มันวิบัติแปรปวนไป มันก็ไม่ได้วิตกว่าเราเจ็บตรงนุ้นเราปวดตรงนี้เราจะตายหรือเราจะหายจากโรคภัยไม่ได้คำานึงแล้วมันก็รู้ว่านี่ธาตุสีกันหน้ามันแปรปวนมันกำลังจะแตกกระดับอยูอ่มันเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนี้เลยวันนี้นะจิตที่ฝึกขนอบรมให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วอะ มันไม่ได้ถือว่าเราจะตายเราเจ็บเราปวดไม่ว่าตัวสาตวสี่ขัน้ามันแปรปรวนไปถ้ามันไม่แตกไม่ดับมันก็หายคืนมาถ้ามันหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายลงไม่ไม่ไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายก็พิจารณา ลงไปอย่างนี้จิตใจที่ได้ฝึกขนอบรมมาแล้วนะถ้าจิตใจของผู้ใดไม่ได้ฝึกขนอบรมอย่างนี้มันก็พิจารณาไม่เป็นเลยเพราะเหมือนอย่างขนทางที่ไม่เคยเที่ยวอย่างนี้นะไม่เคยเดินมาแต่ก่อนอย่างนี้เออมันก็สงสัยขึ้นมาแล้วไปไม่ถูกซ้าเลยเพราะไม่เคยเดินมาถ้าทางเส้นใดที่เคยเดินจนช่ําชอง แล้วว่าทางนี้ไปสู่บ้านนั้นทางนั้นเป็นสู่บ้านนี้มันก็ไม่สงสัยหลังเล่มันก็เดินไปตามทางนั้นก็ถึงจุดปลายปลายทางได้อันนี้ก็เส้นเดียวกันนั่นแหละเมื่อเราเจริญปัญญาวิปัสสนาเทาศนราธาตีขนันธ์ห้าเป็นอารมณ์อยู่บ่อยบ่อยอย่างนี้แล้วมันก็เกิดชานิชำนานฉลาดในธาตีขนันธ์ห้าแล้วจิตนี่นะ จนมองเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรแล้วอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเวลาทราบสี่ขาน้ามันจะแตกกระดับมันก็ไม่กังวลไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่บรรยายฟังมานี้ให้เต็มความสามารถของตนของตน แล้วก็จะดับทุกทางใจได้ไม่มากก็น้อยตามกำลังความสามารถของตนของตนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้